ความเพียรปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ก็คือการพัฒนาจิตจากสภาพสามัญชนให้เข้าถึงซึ่งสภาพอันเป็นมัคเป็นผลนั่นเองบอกตัวเองว่าอยากได้มัคผลก่อนอื่นต้องสงบจากความอยากเป็นอันดับแรกหลงนั่งทำสมาธิเห็นลมหายใจของฉันกลัวไปด้วยความเร่งร้อนอยากสงบ